ตตาามมธรรชิสำหรับความทุกข์ของเทวดาและมนุษย์ที่มีอยู่ตามธรรมชาตินั้นมันเกิดมาจากการที่เราเนี่ยเข้าไปยินดีและเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็อารมณ์ทางใจด้วยเหตุของการเพลินการพอใจนี่แหละจะเป็นเหตุให้ ความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นเราพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสปุถะปะธรรมลมเราพอใจในตาหูจมูกลิ้นกายใจเรามีความเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสปุถะปะธรรมลมแล้วเราก็มีความเพลิดเพลินในตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่เพราะว่าตัวรูปเสียงกลิ่นรสหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้น เป็นของที่มีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาเมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้เสื่อมสิ้นไปตามเหตุปัจจัยของมันแล้วเราผู้ที่มีความพอใจและเพลินอยู่กับสิ่งเหล่านี้จึงมีความทุกข์เกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีรูปเป็นที่มายินดียินดีแล้วในรูป มันเทิงแล้วในรูปย่อมอยู่เป็นทุกข์เพราะความแปรปรวนจางคลายดับไปแห่งรูปในกรณีแห่งเสียงกลิ่นรสโผฏฐะและธรรมารมก็ตรัสอย่างเดียวกันภิกษุทั้งหลายส่วนตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุท ธ, ธะรู้แจ้งความเกิดความตั้งอยู่ไม่ได้ รถอร่อยโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูปตามเป็นจริงไม่มีรูปเป็นที่มายินดีไม่ยินดีในรูปไม่บันเทิงในรูปยังคงอยู่เป็นสุขแม้พระความแปรปรวนจางคลายดับไปแห่งรูปในกรณีแห่งเสียงกลิ่นรสโพดถัพะและธรรมารม ก็ตรัสอย่างเดียวกันเป็นทุกข์เพราะติดอยู่ในอายตนะพิกษุททั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นที่รื่นรมย์ใจยินดีแล้วในรูปเสียงกลิ่น รสโหธัพพะบันเทิงด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโหดทัพพะพิกษุทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมอยู่เป็นทุกข์เพราะความเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายและความดับไปของรูปเสียงกลิ่นรสโหธัพพะ